หลังจากอรากอรัฐมรรฐผลเกิดขึ้นเป็นไปตามลาดั บ, ดาบต่อมาก็เกี่ยวกับในเรื่องของปัจเวกายนายานจบลงไปก็สัพพญุตยานเลยใช่ไหมพระ อ, องค์ก็ประกอบไปด้วยสัพพญุตยานเวสารชายานนช่ไหมเกี่ยวนในเรื่องของพุทธญาณสิบเวนิกระทำสิบแปดแล้วก็ทศพลายานต่างๆนี้อันนั้นเป็นคุณธรรมที่ตามตามหมดเลย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 พอไปที่สถานที่จัดสรู้เนี่ยก็ทำให้บางทีเราไม่สะดุ้งสะดือนอะไรเลยอัยาสัยถ้าจะไม่ได้มีเลยอะ่ะมถ้าจะไม่ได้อัจฉรั ย, าายนะใสน่จะไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยเนี่ยตรงนี้ก็ได้ต่มานั่งคิดว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราในกระวารจิตของเราเนี่ยไมยมันเป็นอะไรอะ่ะมันชาขนาดนี้นะคิดคุณไม่ออกเลยนะ ก็แสดงให้เห็นชัดว่าถูกทับถมโดยภพชาติอย่างหนึ่งที่ได้กรับยาวนานมากแล้วถูกมิจฉาทิ่ฐิฟังแน่นในกมลนัสันดานอย่างยาวนานก็เนี่ยเราอยู่ในอัคขณาขณะที่ไม่ควรตัดสู้อย่างยาวนานผ่านพุทธเจ้ามาหลายอาสงไข่แปดสิบสอสงไขัก็ก็ได้เห็นฉะนั้นสภาวะของการตัดสู้ที่พุทธะนั้นน่ะ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 ใช่ไหมถ้าขนาดใครควรหลายพันรอบหลายหมื่นรอบก็เฉยๆนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะโอ้โห oh. น่าคิดมากหรือถ้าหากว่าเราใคร่ควรถ้าไปใครควรกันจริงๆนะไม่ใช่อย่างที่อาจมานำล่องให้พิจารณาก็กได้เพราะปัญญาคนก็ไม่เท่ากัอนอาจมาอาจจะนำได้เล็กๆเนี่ยนะพวกเราอาจจะไปขยายได้เป็นร้อยในพันในใช่ไม่ใช่ทีนี้ขยายได้เนี่ย